ต่อไปนี้เขียนตัวนั่งภาวนานั่งทำความสงบถ้าเรามีความสงบแล้วสิ่งต่างๆที่ดีๆที่พร้อมจะเกิดจะมีขึ้นในจิตในใจของเรามันก็จะมีได้ถ้ามันยังไม่สงบกาบใด มันก็เกิดไม่ได้แหละของดีๆมีเยอะที่จะเกิดที่จิตที่ใจของเราจิตใจของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะเราที่เป็นพุทธบริษัทอยู่กันมาถึงป่านนี้บำเพ็ญบุญกุศลมาจนถึงขนาดป่านนี้แล้วถ้าเปรียบกับพื้นดิน แผ่นดินก็เรียกว่าเป็นพื้นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่นี่ถ้าผู้ที่ฉลาดเกษตรกรหรือชาวนาที่เป็นผู้ฉลาดเวลาเขาจะปลูกพืชพันธุ์ดัญญาหารต่างๆเขาก็จะต้องเตรียมเตรียมดินให้ดี ให้มันหมดให้มันหมดวัชพืชต่างๆเสียก่อนอย่างหญ้าอย่างเงี้เขาก็ต้องเอาออกหญ้าเป็นวัชพืชเอาออกให้หมอดคาดให้ดีไถให้ดีเตรียมดินให้ดีแล้วจึงเอาเมล็ดพืชพันที่ดีๆลงไปปลูกธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบสเสมือนพืชพันธุ์ที่ ดีมากๆคือพันธุ์ที่มีประโยชน์มากสมควรที่จะเอาลงมาปลูกในผื้นดินอันนี้คือจิตใจของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราเตรียมซะก่อนการเตรียมจิตใจที่จะพร้อมที่จะให้ปลูกพืชพันธุ์ที่ดีคือธรรมะนั่นก็คือจะต้องเตรียมใจให้มีความสงบให้มีความสงบซะก่อน สงบนี่คือให้ความวุ่นวายมันหมดให้อารมณ์ต่างๆมันหมดซะก่อนก็เียบเหมือนย้ามันรกนี่ละเอาออกให้หมดถ้าออกให้หมดเมื่อไรมันก็สะอาดจิตใจก็สะอาดเมื่อจิตใจสะอาดแล้วก็เป็นที่ที่พร้อมซึ่งคุณธรรมดีๆต่างๆจะเกิดขึ้นมา ตั้งแต่เราเริ่มเตรียมจิตใจให้สะอาดเพราะสะอาดก็หมายถางว่าเป็นสมาธิจิตใจเป็นสมาธิจิตใจสงบร่มเย็นนั่นดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะนั่นนะดีขึ้นมาแล้วนะเอามเมล็ดพันธุ์ของธรรมะมีหลายอย่างอย่างเช่นปัญญา นี่นั่นบอกปัญญาการที่เราจะมองเห็นสีต่างๆตามความเป็นจริงอะไรต่างๆนั่นน่ะมันจะมองเห็นได้เหมือนอย่างต้นเล็กต้นน้อยของพืชพันธุ์ที่ดีๆนะ่ะมันจะงอกขึ้นมาถ้าเผือมันมีหญ้าปกคลุมอยู่นะ่ะยังไงยังไงมันก็ไม่เห็นไม่เห็นนีนี่อยู่นานไปมันเลยตายเพราะหญ้ามันเยอะวัชพืชมันเยอะ มันมากนี่ถ้าเราทําจิตใจให้เราสะอาดของเราให้สะอาดแล้วนะอะไรต่างๆที่มากระทบมันจะเกิดเป็นอัดเป็นธรรมนั่นแหละหมายความว่าพืชต่างๆเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ดีๆของธรรมะนะมันพร้อมอยู่นะพร้อมอยู่เพียงแต่รอดินที่เตรียมให้ดีซะก่อนเท่านั้นนะ่ะนั่นเราเตรียมความสงบนี้ก่อน เอาเตรียมความสงบได้แล้วเนี่ยจิตใจสงบให้ชำนาญทำความสงบให้เป็นให้ชำนาญเมื่อชำนาญแล้วไปถึงที่ไหนพืชพันธ์แห่งธรรมะเข้ามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแม้กระทั่งในใจเองก็มีพอมากระทบกับจิตใจที่สงบเข้าเนี่ยจะงอกงามทันที ้อกงามเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาให้เกิดความเบิกบานให้เกิดความร่มเย็นในจิตในใจทันทีนี่เป็นผลเป็นผลอีกในขั้นต่อไปเพราฉ ะ, ะนั้นความสงบจําเป็นถ้าใครมาหลวงปู่ท่านก็จะมีแต่บอกว่าเอาหัดทำความสงบให้ได้ก่อนเด้อไปไปเดินโยงกมลมไร้ไหล่ไอ้หัดนั่งสมาธิ ทำจิตให้มันลงให้มันรวมใหญ่ให้ได้ความหมายของท่านก็คือว่าถ้าเตรียมดินให้ดีแล้วนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรมางอกจะไม่มีธรรมะมางอกมันพร้อมอยู่เสมอที่จะงอกธรรมะมีอยู่ในธรรมชาติทั่วไปหมดโปรยปลายมาอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราเท่านั้นแะ่ะจิตใจเรามันไม่พร้อม ถึงมาอยู่วัดแล้วจิตใจก็ยังฟุ้งซ่านยังร่อนเล่ไปเรื่อยไปเรื่องต่างๆอารมณ์ต่างๆมากมาจริงๆทางหูร่างกายจมูกลิ้นงกายไปเรื่อยมันก็เลยเหมือนเหมือนที่ดินที่มีวัดพืชนั่นะเพราะฉะนั้นทาความสงบให้ยินดีในการทความสงบเหมือนเราที่ถอนหญ้านั่นแหละถอนหญ้าออกจากที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ถอนออกมันไม่ใช่ว่าจะเสร็จเร็วยามันเยอะมันลบต้องค่อยๆถอนไปถอนไปถอนไปอยู่เรื่อยๆยาเลิกยาหยุดถ้าหยุดเมื่อยมันก็งอกมาอีกทั้งนั้นเนี่ยตหมายถึงว่าทําสมาธิฝึกฝนอบรมสมาธิของเราเนี่ยเดินจงกรมมีนั่งสมาธินั่งภาวนาเนี่ยกาหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วลมหายใจเนี่ยทำเยอะๆทาบ่อยๆทํามากๆ นม่ใชว่าทำนิดเดียวทําวันหนึ่งก็มียี่สิบสี่ชั่วโมงทํามันจะสามสิบนาทีอย่างนี้มันน้อยเหลือเกินต้องทําเยอะๆนี่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสมัยก่อนนี่ท่านทาเยอะจริงๆนะทํามากฉันพัทหารเสร็จแล้วเนี่ยเก็บบาทเก็บอะไรแล้ววันทั้งวันเลยเดินจงกลมถ้าไม่ติดอยู่ที่ว่าต้องออกมาทากิจวัดต้องมากวาดลานวัดต้องมาตักน้าต้องมา ทำสะอาดสถานที่ต่างๆอาคารต่างๆท่านไม่ออกมารอกตอนเย็นท่านมีกฎมีระเบียบมาทำวัดร่วมกันถ้าบางกัมนมนักทําใครทํามันก็ทําเสร็จแล้วก็ลงเดินโยงกรมเลยท่านทําเยอะจริงๆเดินโยงกรมมากนั่งสมาธิมากพูดคุยน้อยการขบการฉันฉันนิดๆหน่อยๆพอจะให้ร่างกายทรงอยู่ได้เท่านั้น่ะ ไม่มีความเพลิดเพลินอะไรสักอย่างความเพลิดเพลินในการบริโภคอาหารความเพลิดเพลินในเสียงในรูปไม่มีทั้งนั้นท่านไม่ไม่ฝักไฟเลยฝักไฟในการเดินจงกรมกําหนดพุทโธทพุทโธของท่านเนี่ยแทบจะเรียกว่าทั้งวันท่านทําเยอะอย่างนั้นละมากอย่างนั้นแหละถ้าเป็นการเตรียมเตรียมจิตใจของท่านให้ลงสู่ความสงบให้มันมีความพร้อม และก็ได้ผลจริงๆจิตใจของท่านสงบร่มเย็นจิตใจเบิกบานเวลาเดินไปนู่นไปนี่หรือไปพบอะไรไปบินถบาทเนี่ยได้ยินว่าท่านได้ธรรมะจากการไปบินถ้าบาทหรืาการไปไหนต่อไหนเนี่ยบ่อยที่สุดการไปบินถบาทเนี่ยมันไปเจอสภาวะชีวิตของผู้คนเนี่ยมันเกิดความเข้าอกเข้าใจเกิดความรู้ความเห็น ขึ้นมาแปลกๆพิเศษพิศดารในจิตในใจเป็นเหตุให้ความยึดความถือความพะวงสงสัยในจิตในใจความไม่เข้า อ, อกเข้าใจาต่างๆมันกระจ่างขึ้นมาหมดนะเกิดจากความสงบของท่านมันดีเพราะฉะนั้นทำความสงบนี่บางคนก็บอกว่าทํามานานแล้วก็ยังไม่เป็ น, นยังไม่ได้อะไรก็ต้องทําอีกนะทำอีกให้เข้าใจว่า เราที่มาอยู่ถึงขณะนี้เน่ยเป็นพุทธศาสนาเอกชนกวหมายขามว่าจิตใจนี่มีความอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์มากแต่เพียงแต่ว่าหญ้ามันลกหน่อยเท่านั้นเนี่ยเอาออกหญ้าคืออารมณ์เอาอารมณ์ออกให้หมดให้หมดให้หมดให้หม ด, หหมดแล้วกว็รักษาไว้อย่าให้มันงอกมาใหม่รักษาอารมณ์พยายามรักษาไว้เรื่อยให้คิดว่ามเมล็ด ธรรมะจะโปรยมาอยู่เสมอเสมอนะเราเตรียมที่ของเราไว้ให้พร้อมนี่คือหน้าที่ส่วนการจะไปปลูกเมล็ดพืชพันุน่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นหน้าที่ก็ได้หรอกเราเตรียมที่ของเร า, าให้พร้อมไว้ธรรมะต่างๆมันจะมาทางตาบั่งทางหูบั่งโดยการไปได้เห็นผู้เห็นคนบ้างเห็นสัตว์บ้างเห็นต้นไม้เห็นลานําธารเราไปได้ยินเสียงเขาด่ากันบ้างเขาร้องเพลงบ้างเขา ร้องไห้หัวเราะอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเราเนี่ยมันเกิดเป็นธรรมขึ้นมาในจิตใจเข้าเป็นความเข้าอกเข้าใจเป็นปัญญาเกิดมาในใจในจิตใ น, ในใจของเราที่สงบแล้วนะมันเกิดขึ้ยังไงนั้นเพราะฉะนั้นความสงบนี้เป็นเรื่องจําเป็นที่เรามานั่งกันอยู่นี่นยทุกวันทุกวันอันนี้เป็นส่วนน้อยที่จริงแล้วต้องทําเยอะๆนะทําเยอะทํามันทั้งวันเลย จะมีโอกาสทำทั้งวันทำความสงบรักษาความสงบให้จิตใจของตนเองสงบลมเย็นนิ่งอยู่ได้มนานานๆานได้มากๆร่ลมเย็นอยู่เสมออย่างนี้อันนี้เลยว่าเตรียมตนเตรียมตัวไว้ด้วยดีถ้าเตรียมตัวไว้ด้วยดีแล้วมันได้ประโยชน์นั้นแหละความดีต่างๆเมื่อเตรียมตัวไวด้ดีแล้วความดีมันก็มาดัานั้นต่อไปนี้ฟังเทศของหลวงปู่ ล้วก็นกั่งภาวนาะ